115ว่าชาที่วัดสูปะคมะณะว่าด้วยการเข้าจำบรัญรษาในข้อโคเป็นต้นเรื่องเข้าจำบรัญรษาในข้อโคข้อ203สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งต้องการจะเข้าจำบรัญรษาในข้อโคภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เข้าจาบรรษาในข้อโคได้ข้อโคย้ายไป